โดมคนไหนไม่เคยมามีไหมมีใครไม่เคยมาฝึกกันมาแบบไหนลองยุบดีก็จะฝึกเพ่งกับสงฆ์ศิลมานะโอ้ปวดหัวนะ <c oughs> ชื่ออะไ ร, ระเอาคุณประหัดเป็นไงภาวนาเป็นไง <c oughs> สติเกิดเร็วขึ้นไหม <c oughs> ดี อะไรๆไม่สําคัญเท่าให้เกิดสติยิ่งฝึกไปสติจะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดเลยความทุกข์ในใจเราทั้งหมดนะ่เกิดตอนขาดสติเท่านั้นเองแล้วเราฝึกเพื่อให้มีสติถ้าพอเรามีสตินะความทุกข์เข้ามาไม่ได้แล้วนี่เบื้องต้นเลยต่อไปพอมันเกิดปัญญาตอนนี้ยมันจะแก้ถาวรนะมีสติแล้วแก้กันชั่วคราว ครยนักเลงมาตีหัวมันไปทีหนึ่งมันถอยไปเดี๋ยวมันมาอีกตีมันหลายหลายทีเข้าหัวมันแบกไปมันมาไม่ไหวแล้วสติเป็นกันเรารู้ลงไปรู้ลงไปรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจทันทีที่เกิดสติจิตก็มีความสุขตื่นขึ้นมาถราตื่นมากๆนานไปนานไปปัญญามันเข้าใจกายกับใจนี้ไม่ใช่เราหรอกอย่างแต่เดิมกิเลสมันมา กิเลสมาเนะี่ยคนทั่วๆไปก็ตามกิเลสไปอย่างนี้แจ้เลยนะนักปฏิบัติอีกกลุ่มหนึ่งพอกิเลสมาหาทางสู้กับกิเลสหาทางต่อสู้เช่นพอโทสะเกิดขึ้นก็แผ่เมตตาราคาเกิดขึ้นก็พิจารณาสุภานะี่ยหาทางแก้จิตมันหลงเก่งนักมากําหนดลมหายใจหาทางแก้นี่ก็มีความสุขความสบายไปอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ดีเหมือนกันต่อมาสติมันเกิดพอกิเลสผ่านมาเนี่ยมันจะเห็นเรื่องกิเลสมาแล้วก็ไปกิเลสมาแล้วก็ไปแต่ก็ยังอยากสู้ยังอยากเอาชนะเนีสู้ด้วยสติพอกิเลสมาปุบ๊บรู้ทันกิเลส ด, ดับใจสบายเดี๋ยวมาอีกรู้ทันอีกปุบ๊บไงใจสบายฝึกไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดหลงสงครามอันนี้ วันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าเอจิตใจซึ่งเราถนอมรักษาหวงแหนเพราะว่าเป็นตัวดีของเราเป็นตัวของเราอะไรเนี่ยวันนึงเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวดีอะไรเนี่ยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงพอปัญญาเกิดเนี่ยวางคราวนี้ค่าสึกมาตีมันตีอะไรมันก็ตีขันไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วจิตใจมันก็พ้นออกไปเนี่ยมันหลุดพ้นถึงความบริสุทธิ์จริงๆได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะ ไม่ใช่ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสติด้วยอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่เครื่องมือเกิดพ้นทุกข่าววาจริงๆก็อาศัยปัญญาเท่านั้นแหละมีปัญญานี่ไม่ใช่คิดเอาปัญญาคิดเอาเนี่ยใช้ไม่ได้ใครๆก็คิดเป็นแต่ปัญญาที่ใช้ในการช่วยตัวเองให้พ้นทุกเรียกว่าวิปัสนาปัญญาหรือภาวนามยปัญญา ปัญญาจากการที่เรามีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้เรื่อยๆไปงั้นศัตรูสําคัญของผู้ปฏิบัติก็คือความขาดสติความหลงความเผลอนั่นเองขาดสติไปศัตรูหมายเลขสองก็คือการเข้าไปแทรกแตงกายแทรกแตงใจบังคับกายบังคับใจทําให้มันนิ่งทําให้มันดีแทนที่จะรู้มันตามความเป็นจริงก็มุ่งไปฝึกบังคับมันพวกเรานักปฏิบัติ เกือบทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้เองไอ้ที่ใจใจถึงนะเห็นว่าไอ้จิตมีกิเลสนะเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานี่กว่าจะใจถึงอย่างนี้นะยากที่สุดเลยมันคิดว่าจิตเป็นเรามันต้องใจเด็ดๆหน่อยนะลาทิ้งความเชื่อเก่าๆไปความคิดความเชื่อเก่าๆทิ้งมันไปหันะหามารู้สึกตัวรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเปลี่ยนวิธีการศึกษาสมัย พวกเราชอบศึกษาธรรมะด้วยกันไปฟังเทศหรือไปอ่านหนังสือธรรมะมก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ดีมากหรอกอ่านพอให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นเองหรือฟังพอให้รู้วิธีปฏิบัติส่วนวิธีปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่อ่านเอาไม่คิดเอานะรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีทางเลือกนะบางคนบอกยากยาก ยากก็ต้องทำํำนะเหมือนเราตกน้ําไปเกียกตะกายโอ้ไกลฝั่งเหลือเกินไกลแค่ไหนก็ต้องว่ายน้ำํำนะไม่ใช่โอ้ไกลเหลือเกินจมมันเลยนะทําไมพระโพ ธ, ธิสัตว์ต้องเป็นพระมหาชนกไปหัดว่ายน้ําใครเผลอบ้างอเออไหนชื่นใจพวกที่ไม่ยกมือหลวงพ่อไม่ชื่นใจ พวกเผลอแล้วไม่รู้ที่จริงก็คือใจของเราจะเผลอตลอดเวลาเผลอก็คือคําว่าขาดสตินั่นเองคำว่าสติเนี่ยอภิธรรมสอนเละสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะสังเกตไหมใจของเราเลื่อนลอยเดี๋ยวลอยไปทางตาเดี๋ยวลอยไปทางหูเดี๋ยวลอยไปทางความคิดลอยไปลอยมาทั้งวันนะนนไม่มีสติส่วนพวกที่อยากมีสติก็อชอบไปเพ่งๆ เ, เ, เอาจะใช้ไม่ได้อีก สุดตง่งสองฝั่งน่าน้หนูรู้สึกไว้หนีไปคิดเนาะรู้สึกไว้คุณสุนันอย่าบังคับมันคุณกบเป็นไงอื อ, อให้หงดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเลยนะทันทีที่มีสติขึ้นมาเนี่ยถูกต้องแล้วถัดจากนั้นเนี่ยมันผิดมาตรฐานเรา เราอยากให้รู้ตัวนานๆเพราะมันเผลอนานเนี่ยใจมันหงุดหงิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ไปเล่นเล่นรู้สบายสบายวันหนึ่งก็รู้แจ้งแต่ละวันก็ไปรู้รู้ตัวไว้รู้กายรู้ใจเรื่อยเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งรู้แจ้งรู้แจ้งคือรู้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราหรอกเคยันของไอน์สไตน์ไหมไอสไตน์พูดไปอ่านบอกว่า คนเรามันไม่ไม่ไม่เข้าใจความเป็นจริงนะมันก็เลยไปแบ่งแยกตัวเองออกจากจักรยุทธ์จากเอกภพอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็คิดว่าเนี่ยคือตัวเรานะเพ้ต่อสู้ดิ้นรนเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตลอดเลยถ้าวันใดได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ย ก, กัเอกภพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอันเดียวกันคืนไปเนี้ยนะมันจะไม่ทุกข์หรอกนุสิก ป, ปัญญาเขาขนาด น, นี้ สมมาเคยไปหาหลวงปู่ดูลเรียนกับท่านนะบางทีสอนกรรมฐ า, านเสร็จแล้วถ้านั่งอยู่กับท่านเนี่ยทีท่านก็พูดธรรมะแปลกๆให้ฟังผู้เท่าไม่เคยเรียนหนังสืออะไรกับใครเขาหรอกนะแต่ผู้เท่าวิจาร์ไอน์สไตน์ได้วิจาร์ไอน์สไตน์เลยบอกว่าอ ย, อยู่วันหนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาไอน์สไตน์เนี่ยนะมีภูมิปัญญามากเขาสามารถ คิดพิจารณาได้ถึงนิพพานแต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงวันนั้นเขาก็เลยรู้แล้วเาก็ทิ้งไปเลยหันมาหาสิ่งซึ่งจับต้องไดเท่านั้นไปเจอหนังสืออ๋อไอสตล์เขียนอย่างนี้นี่จริงๆแล้วเขียนไม่ได้ต่างอะไรกับชาวพุทธอย่างโลกกระธาตุจริงๆเนี่ยโลกนี้ว่างเปล่าอยู่แล้วความไม่รู้ มันทําให้เราไปกีดกันเอามาบางส่วนของโลกเนี่ยกีดกันเอามาเป็นตัวเรานี่คือร่างกายของเราคนจีิกายของเราที่ไหนมันก็เป็นวัตถุของโลกนี้เองนะไปขโมยเข้ามาซึ่งซึ่งหน้านะหรือจิตใจเนี่ยจริงๆริจริตใ จ, จกายกับใจเนะที่ยไปพูดจับหยาบนะนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งในฝูสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยแต่เราไปแบ่งแยกเอาตัวเองออกมาในท่สุดมันก็เลยมีเรามีเขาขึ้นมา มีภายในมีภายนอกขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาดูกายดูใจดูลงมาที่กายซิดูลงมาที่ใจซิวันนึ่งเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของโลกเป็นธาตุนะอย่างกายก็เป็นแค่ธาตุสี่วัตถุธาตุจิตใจก็เป็นนามธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นของโลกเราไม่รู้เราก็ไปเอามาเป็นเรา ท่านเลยสอนบอกให้มีสตินะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจบันไดเห็นว่ากายกับใจนี้ก็โลกข้างนอกมันอันเดียวกันนะเลิกไปขโมยเข้ามานะเพราะมันสลัดคืนตัวนี้ไปปั๊บเนี่ยเราจะไปพบธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นนึกยังไงก็นึกไม่ถึงนะเพราะว่ามันเหนือประสบการณ์ที่เคยพบเคยเห็นเราจะไม่ไม่เคยนึกเลยว่ามันจะมีความสุขอะไรมหาศาลได้ขนาดนั้น ความสุขของคนที่หมดภาระถ้าเทียบเทียบแบบเป็นรูปธรรมหน่อยนะคล้ายๆเราหมดธุระแนละ้วหมดภาระนะจิตใจของเราแต่ละวันเนี่ยมันไม่สบายมันมีภาระเยอะมีงานรออยู่ข้างหน้านี่นะไม่รู้จักจบจักสิ้นวันไหนเจอลองวิกเอนรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไหมแล้ววันไหนนักเกษียณนะแล้วแหมแต่เงินเหลือเฟือนะอิสระเสรีภาพสบายมันไม่เหมือนกันนะ ของพวกเรายังไม่เคยกเกษียณแบบร่ํารวยด้วยนะสุขภาพก็ดีด้วยนะเมียก็ยังสวยอะไรเงี้ยนะเราไม่เคยเรารู้แค่ลองวิเอนลองวิเอนก็มีความสุขรู้สึกไหมเมื่อไหร่หมดธุระที่จะต้องทําำหมดภาระที่จะต้องแบกมันมีความสุขมากเลยหรือเทียบอีกอย่างนะ้นคล้ายๆเราตกเป็นทาสอะไรสัอย่างทุกวันเราต้องแบกข้าวสารหนึ่งกระสอบอยู่บนหลังไปไหนเราก็แบกกระสอบข้าวสารเนี้ย เราแบกมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยแบกมาหลายปีเจอทั้งไม่รู้สึกว่าหนักจริงๆก็คือเราเนี่ยแบกภาระแบกขันนี่เองแบกขันห้าแบกกายแบกใจของเราเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเป็นภาระมันชินนะที่จริงภาระเยอะนะแล้ววันหนึ่งเราวางภาระนี้ลงไปแม้มันโรกเลยนะมันผิดกันมากไม่เหมือนกันเลยพราะพระเจ้าสอนเนี่ยบอกภาระขันห้านี่เป็นภาระ คนที่แบกภาระไปเนี่ยนะไม่พ้นจากทุกข์ทางปวงต้องแบกต้องหามทั้งวันทั้งคืนปล่อยไม่ได้เลยพระอริยะเจ้าเนี่ยวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกเ mm. นี่ยถึงจะพ้นจากทุกข์พวกเราลองมาดูที่เราภาระเยอะแค่ไหนตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรก่อ น, นอืมอ่าแต่งฟันก่อนไปล้างหน้าแต่งก่อน อ๋อแต่ละค น, นจะต่างๆนะรวมความก็คือพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มปฏิบัติร่างกายนี้ปะปนิบัติรับใช้มันใช้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะถึงจะนอนยังต้องหาที่นอนให้มันอีกเนาะปรนนิบัติมันเยอะเยอะมันไม่สบายมันหิวมันหนาวมันร้อนนะมีภาระมากมายจิตใจอ่ะจิตใจหาความสุขไม่ได้เลยตั้งแต่เล็กๆมาเที่ยววิ่งหาความสุขความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดไม่เคยวิ่งทัน อย่างคิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขจบปริญญาตรีว่าถ้าได้ด็อกเตอร์จะมีความสุขนะเป็นด็อกเตอร์แล้วก็งันๆอีกนะถ้าได้นะมีพระองคหนึ่งที่วัดโสท่านเปลียนจดหมายมาเล่าท่านเรียนวิศวะจุฬาตรงแม้ถ้าเรียนจบแล้วจะมีความสุขจบแล้วถ้าได้ไปต่อด็อกเตอร์ที่อเมริกาอะไรเงี้ยจะมีความสุขนะได้ไปไปแล้วไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยนะ <c oughs> เรียนกลับมามาทำมาหาคลินิกว่าถ้ารวยๆแล้วจะสุขอะไรเงี้ย ถ้ามีมีเมียสวยๆจะสุขมีแต่ท่าความสุขไม่เคยมีนะในชีวิตจริงๆมีแต่ท่าอย่างง่้นท่าอย่างนี้ท่าไปทั้งชาตินะจนแก่ๆแล้วหรือโตขึ้นมามีมีครอบครัวแล้วถ้ามีลูกฉลาดฉลาดจะมีความสุขเอาลูกได้เรียนหนังสือดีๆจะมีความสุขเห็นไหมต่อมาเราแก่มากๆวันไหนไม่เจ็บป่วยจะมีความสุขถ้ามันไม่เมื่อยเนี่ยจะมีความสุขแต่มันเมื่อย เจอทั้งเจ็บหนักเลยดิ้นทุรนทุรายโอ้ถ้าตายจะได้จะมีความสุขใไหมนี่หาความสุขจนตายยังไม่เจอเลยนะเนี่ยใจเราเนี่ยมันหิวความสุขแต่มันหาความสุขไม่เจอภาระเยอะนะภาระเยอะมหาศาลเลยคล้ายๆธาตุที่เกิดมาก็เป็นธาตุแนละ้วไม่เคยรู้จักอิสระภาพหรอกงั้นก็แบกความทุกข์อยู่อย่างนั้นนะโดยไม่รู้ว่าทุกข์พวกเราทั้งหลายมีความทุกข์มากมาย ครูบาจารย์หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเลยนี่ยท่านรู้ว่าพวกเราทุกข์เยอะแต่พวกเราไม่รู้สึกตัวว่าทุกข์เท่าไหร่หรอกเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมเพราะเรายังไม่เห็นของจริงไม่เห็นความจริงมันมีสติรู้กายรู้ใจนะจะเห็นว่าโอ้มันทุกข์สาหัสเลยพอมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นของหนักเป็นของร้อนมันจะวางของมันเองไม่ต้องไปช่วยนะเขาวางของเขาเองเลย คล้ายๆแตเดิมเราหยิบอันนี้ขึ้นมาอู้ของเราสวยของเราดีนะคุยเพลินเพินหันมาดูเอา้าไม่ใช่หรอกเป็นแมงป่องตัวหนึ่งรีบโยนเลยนะมันโยนเองนะไม่ต้องอ้อนวอนสมควรจะทิ้งไม่ทิ้งไม่มีย ไ, ไม่มีสมควรไม่มีสมควรอะไรทั้งสิ้นนะเราเห็นขันห้าเป็นทุกข์ ก, ขทกข็ทิ้งแน่นอนงั้นสิ่งที่ทางอันนี้มีอยู่นะความพ้นทุกข์มีอยู่แต่พวกเราเป็นทุกข์เราก็ยังไม่ค่อยจะรู้ตัวว่ามันทุกข์ พระพุทธเจ้าก็ทำได้แค่คอยบอกคอยเตือนพวกเรารู้ไหมมันทุกข์หันมาดูอย่าเชื่อสอนด้วยนะว่าไม่ต้องเชื่อมารู้กายมารู้ใจของเราไปดูซิมันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะมันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูเอาเองดูด้วยตัวเองคอยรู้ของเราไปในวันใดมันแจ้งขึ้นมานะโอทาไมมันโง่เนาอครูบาอาจารย์เคยเล่ามาองพอแจ้งขึ้นมานะ โอ้ยด่าตัวเองเลยทำไมมันโง่แท้นาะของง่ายๆทําไมไม่เข้าใจองค์ที่ท่านทําเป็นแล้วท่านก็บอกง่ายนะไอคนทําไม่เป็นก็ยากเหมือนหัดขับรถนะขับรถไม่เป็นยากไหมกรรมพวงมาลัยยันแน่นรถอย่างสายเลยตอนสตาร์ทนะถ้ารถธรรมดานะไม่ออตโต้ตอนสตาร์ทนะาเหมือนกก กระโดดตุกบตุ๊ตุก่พอวิ่งอยวิ่งเหมือนงูเสร็จแล้วตายเหมือนเขียดพอเป็นแล้วไม่ต้องจับมากเห็นไหมแต่นิดแต่หน่อยรถไม่ตกถนนแะ้ะงั้นอยู่ที่เราฝึกของเรานะใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ช่วยไม่ได้งั้นมานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่มาฟังเพื่อจะเอาธรรมะนะธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่วัด ธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเรานี้อย่าเที่ยวหาธรรมะที่อื่นแต่ใจของเราชอบลืมกายลืมใจทั้งวันรู้จักลืมกายลืมใจกันหรือยังนั่งฟังมาเกือบชั่วโมงแล้วะลืมกายลืมใจก็คือใจเราชอบหนีไปหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปคิดเยอะด้วยนะฟังน้อยคิดเยอะ <Yeah. S 1> นะ คิดคิดคิดถึงไม่ได้ฟังอะไรก็นั่งคิดเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันมันไม่ใช่ความจริงความคิดอ่ะเพระฉั้นหันมาอยู่กับโลกของความจริงจะรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาไม่มีทางที่สองที่จะให้เลือกละนี้บางคนกินเสียงอ่อนต่อแต่ต่อแต่ไปอ้าวผมจะหัดพุดโทโธก่อนได้ไหมได้ดีกว่าไม่ทําเลย ดิฉันจะดูพองยุบก่อนได้ไม้มได้ดีกว่าไม่ทําเลยทําอะไรก็เอาเท่านั้นหนึ่งนะแต่ว่าทุกอย่างทําไปเพื่ออะไรเพื่อความมีสติกับเพื่อให้เกิดปัญญาจําไว้นะสติปัฏฐานสี่เนี่ยทําไปเพื่อสองวัตถุประสงค์เทนะ่านั้นเพื่อให้เกิดสติกับเพื่อเกิดปัญญาสติคือความระลึกได้ทำไงเราจะรู้สึกตัวได้บ่อยๆถ้าทําสติปัฏฐานาจะรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นหรือรจะสั้นลงสั้นลง ขอสติเกิดบ่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดเข้าใจความจริงเราะั้นทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาไม่ได้เพื่อให้เกิดอย่างอื่นนะกระทั่งเพื่อมรักผลนิพพานอนะไรเนี่ยไม่ต้องไปเผื่อมันขอให้เกิดสติกับปัญญาเท่านั้นแหละที่เหลือถัดจากนั้ น, นจิตมันทำของมันเองหน้าที่ของเราก็คื อ, อเหยียบเผลอไปรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าไปเอาแต่นั่งเพ่งไว้บังคับตัวเองให้นิ่งๆใช้ไม่ได้นะ คุณน้องจะคุยอะไรไห ม, มก็ควรที่อย่างนั้นนะ่ะธรรมะคุยได้ไม่ใช่ของจริงีลนะ้วคุณน้อบอกของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นได้ยินที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจาไว้เลยนะไม่ใช่ของจริงนะของจริงอยู่ที่กายกับใจเท่านั้นรู้กายรู้ใจวันหนึ่งปล่อยกายปล่อยใจไม่ใช่ปล่อยเปลีย่ยนะปล่อยวางปล่อยวางบ่าให้ปล่อยกายปล่อยใจเลยเสเพล หลวงพ่อปราโมทสองบางคนร้ายนะบาคนร้ายมากไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านชอบให้เดินจงกรมเดินทั้งวันทั้งคืนเลยให้เดินจนถึงห้าทุ่มเตือนตีหนึ่งครึ่งไปเรียนกับท่านท่านให้เดินทั้งวันทั้งคืนโอรู้สึกแย่แล้ววิ่งมาหาหลวงพ่อปราโมทแล้วมาถามหลวงพ่อปราโมทหลวงพ่อคะการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามีสติ ยืนเดินนั่งนอนเรามีสติตลอดทำแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมหรอกใช่ถ้ามีสติตลอดก็ก็ใช่ละนะวิ่งไปบอกหลวงพ่ออีกวัดหนึ่งนีง่หลวงพ่อปราโมทบอกไม่ต้องเดินจุง ก, กลุมนะญนะาติโยมนะเจ้าเลยนะเนี่ยนี้หลวงพ่อเราต้องระมัดระวงังพูดอะไรต้องให้รัดกลุ่มนะชอบเอาไปอ้างเนี่ยเนี่ยกระทั่งพระนะเปิดโปงพระสัีวันนี้ มอีอยู่องค์หนึ่งปกติหลวงพ่อไม่ได้ให้ไม่ได้รับพระไว้ที่นี่เนะพราะถ้ารับไม่องค์นั้นก็ต้องรับหลายหลองค์ที่ผ่านมามันเคยมีปัญหาเยอะหลวงพ่อพรรษาน้อยพระพรรษาเยอะกว่ามาแล้วกี่รีสร้างปัญหาเยอะเลยโอกว่าเราจะแก้ปัญหาได้นะยากนะตอนหลังเลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่รับหรอกเพราะรับแล้วเราปกครองไม่ได้อยากมาเรียนธรรมะนะ แต่สอนไม่ฟังทําอะไรก็รู้ถูกปัะตุกเตหาที่กินที่เที่ยวไปอะไรเงี้ยทานหลักก็เลยไม่รับไ ม, ไม่รับมีวันหนึ่งท่านรุ่นไล่ๆกับท่านนี้แหละนะเดินโตเต๋ ม, มามีโยมเขโทรมาบอกว่ามีพระองคหนึ่งมันนอนอยู่ตรงเนี้หน้าสวนชมพูตรงเนี้นะออกไปดูบอกว่าจะมาเรียนที่นี่บอกอ้าวทำไมไม่ไักวัดน่าอยากพักตรงนี้บอกไม่ได้ตรงนั้นเป็นที่ขายยาบ้า เหนือสุกเชื่อดนาะเอาละค่าแล้วไล่ไม่ไปนะอนะใหนะนะนะ้มาอยู่คืนหนึ่งนะบอกยันอย่า <dropped> ด <out> ื้อนะทีหลังอย่ามาทําอย่างนี้อีกเสร็จแล้วเด็กก็ต้องไปคุยต่อนะให้เพื่อนมาเอาตัวอย่างเนี่ยนักปฏิบัตินะเขาลบกติกาแต่ละแห่งแต่ละวัดมันมีความจําเป็นมีกติกายทําไมหลวงพ่อแบบอยากเข้าไปข้างหลังเลย ตอนเช้าเช้าเนี่ยข้างหลังไม่มีใครมีหลวงพ่อคนเดียวแล้วก็ทั้งเมื่อวานนะป่าปิดป้ายห้ามเข้าแต่เดิมบอกเขตพระก็อย่าเข้าไปเมื่อวานผู้หญิงคนเดียวอ่ะบุกเข้าไปถึงกุรีหลวงพ่อบอกเนี่ยที่ห้ามเข้าเพราะเรื่องนี้มันไม่มีคนอื่นอยู่ใช่ไหมคือเราต้องเอื้อเฟื้อกับพระธรรมวินัย ไม่ใช่หวงอะไรนะอยากดูอยากพาชมก็ยังได้นะไม่ได้มีอะไรลึกลับบางคนสงสัยทำไมต้องห้ามโมโหอีกนะคือ <c oughs> แต่ละแห่งนะมันก็มีเหตุผลมีความจำเป็นไปหาครูบาอาจารย์ไปเรียนนะ <c oughs> โอ้ต้องอ่อนโยนใจจะมาเจ้าเล่ไม่ได้นะหลวงพ่อไล่ไปหลายคนละเจ้าเล่เอาว่าไง คือสัมผชัญญาเนี่ยเป็นตัวปัญญานะสัมผัสัญญาเป็นปัญญาเบื้องต้นนะมีปัจ ส, สนาปัญญานะสัมผชัญญาเนี่ยเป็นตัวเบื้องต้นเป็นตัวที่คอยประคองให้เราเดินถูกทางเบื้องต้นจริงๆเลยนะนะเช่นถ้าวันหนึ่งเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราอยากละกิเลสนะถ้าเรา มีสัมปชัญญะเรารู้ว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือรู้กิเลสไม่ใช่ละกิเลสเนี่ยสัมปชัญญะนังมีองค์ประกอบสี่อันเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทาไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมตัวนีะนั้นสัมปชัญญะจะช่วยเราไม่ให้ตกขอบไปสติเป็นตัวระลึกรู้ คนละอันกันนะแต่จิตเดิมแท้นี่คนละเรื่องเลยจิตเดิมแท้ไม่เกิดตอนนี้เนี่ยไม่เกิดจิตเดิมแท้จริงๆอันนั้นของเซนของเราก็คือมหากิริยาจิตและใจคือความว่างเป็นอารมณ์ ถนี้อนเนนชาพิสังขารหมายถึงความปรุงแต่งนะความปรุงแต่งที่ประณีตความปรุงแต่งมีสามาัญนะอันหนึ่งเนี่ยปรุงแต่งตามใจกิเลสนะเรียกว่าอปุญญาพิสังขาร น, นะอันที่สองปรุงแต่งที่คอยควบคุมกายควบคุมใจของตัวเองเรียกว่าปุญญาพิสังขาร น, นะนี่คือภูมิปัญญาของคนไม่เท่ากันแต่ละคนวิ่งหาความสุขนะงั้น การหาความสุขเนี่ยก็เลยมีเกิดสังขารสามขึ้นมาพวกหนึ่งหาความสุขโดยวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนะวิ่งสนองกิเลสทั้งวันเลยคิดว่าได้สนองกิเลสแล้วจะมีความสุขพวกนี้คืออปุญญาที่สังขารอีกพวกหนึ่งฉลาดขึ้นมาหน่อยเห็นว่าถ้าเราควบคุมกายควบคุมใจของเราให้ดีนะอารมณ์จะเลวจะดีอะไรช่างมันเกิดใจของเราดีสักอย่างเดียวเราก็มีความสุขได้นะเราก็พยายามควบคุมกายควบคุมใจพวกนี้เรียกว่าปุญญาที่สังขาร อีกพวกหนึ่งฉลาดกว่านั้นอีกเห็นว่าตราบใดที่ยังมีจิตใจอยู่ถ้าต้องกระทบอารมณ์นะมันอดเกระเทือนไม่ได้นั้นทํายังไงที่จะไม่ต้องกระทบอารมณ์พวกนี้ก็เลยไปจับออกความว่างๆไว้เข้าไปอรูปก็เลยเรียกว่าอาเนิชาที่สังขารมันไม่ถูกเหียดแทงไม่ถูกกระทบกระเทือนไม่รับรู้อะไรถ้าถ้าถ้าไปดูช่องว่าง จิตแนบอยู่ในช่องว่างไม่ไปไหนนะนั่นก็อเนินชาพิสังขารมีอะไรใช้อย่ายงาที่สังพันคืนญแต่อน น, นมันไม่หนัก <c oughs> คือตรงที่หนักเนี่ยโลภะยังแท้เนี่ยังอยู่ในขั้นลงมือทาเนี่ยแต่พอมันเป็นผลขึ้นมาแล้วมันก็โล่งไปหมดอที่หนักๆเนี่ยมันมันะจไม่มี ก, การคลไอ่าไม่คลายใช้ไม่ได้ ต, ตรงที่ไม่ผ่อนคลา ย, ยาก็คือขาดอัจธิต สัศิีเนี่ยเป็นองค์ธรรมของความผ่อนคลายเพราะงั้นธรรมะของเราไม่บริบูรณ์อย่างถ้าเราจะรู้ตัวรู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันประกอบมาใช้แันโลกเนี่ยมันเรื่องของการวางคนละเรื่องกั น, เ ป, นกเป็นการส่งสิิ อ, สออกนอกออกนอกคนละเรื่องกันนะเราต้องรู้หน้าที่ของเราขณะนี้มีหน้าที่อะไรเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่งไรนี่คือสัมพัญธยาละ นะคือมีปัญญาเบื้องต้นขณะนี้จะทํามาหากินจะทํางานตั้งใจทํางานต้องคิดเรื่องงานต้องรู้งานในขณะที่เรารู้เรื่องที่เราคิดหรือรู้เนื้องานเราเนี้ยเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่คนละานกันนะแต่ในเวลาที่นอกเหนือจากการทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะเป็นเวลารู้กายรู้ใจลืมกายลืมใจอยู่ทราบไหมตอนเนี้ยนะ ไปรู้อะไรเมื่อกี้นี้รู้เรื่องที่คิดใช่ไหมใช่ไหมขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้คลั้งละอย่างเดียวนะไม่ว่าจิตของใครทั้งสิ้นว่าจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้คลั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องที่คิดซะแล้วก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ตอนนี้นี่ที่คิดแล้วทราบไหมของคุณนะหลวงพ่อให้กันบ้านนะ คุณไปสังเกตตัวเองให้ดีคุณยังบังคับตัวเองอยู่ยังบังคับกายบังคับใจอยู่คอยไปดูนะตรงนี้คือทางที่ผิดมีสองทางผิดอันที่หนึ่งเผลอไปลงไปผิดอันที่สองบังคับกายบังคับใจเอาไว้เพ่งเอาไว้คอยรักษารู้สึกไหมคอยรักษาคอยประคับประคองกลัวมันจะเผลอกลัวมันจะหลงยังประคองอยู่คอยจะเห็นไหม เอนะใครรู้ทันตรงนี้นะพอเรารู้ทันสิ่งที่ผิดแล้วมันจะถูกเอ ง, ส, งสิ่งที่ถูกแล้วอย่าไปทำขึ้นมานะอยากทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยสมพง์เป็นไงสมพง์เออให้มันได้อย่างนี้เอาบอยเป็นไงแล้วชมตัวเองอีกแล้ว <laughs> เออดีก็ดีแล้วทุ๊กอ่ะ ฮะ<น>เรื่อยๆแปลว่าอะไรกุศลเกิดเรื่อยๆหรืออาคุศลเกิดเรื่อยๆเออเห็นไหมไม่เรื่อยหรอกคำว่าเรื่อยๆคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะเรียกฝืนธรรมชาติไม่มีเหมือนเดิมหรอกไม่มีเรื่อยๆนะเมื่อนะสักคนั้นจนะักสั uh ่นละอ้าวโกบว่ามาเ <referred> ออดีก็ดีแล้วขยันได้เปล่ า, าดูบ่อยไหมแต่ก่อนนี้เวลาจะมาวัดเนี่ยซ้อมมาระหว่างทาง ใครจะชวนคุยเจอก็เป็นไงไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเราก็รู้ว่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวเต็มที่ยังอือตอบตอบตรงไปตรงมา ออ อ, อไม่แน่ใจรูปเดียวไม่แน่ใจให้รู้ไม่แน่ใจตอนเนี้ยมันยังไม่ตื่นเต็มที่นะมันดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วละ่ะทั้งสองคนอะแต่หน้าที่ของเราก็รู้สึกไปเรื่อยๆในที่สุดสิ่งที่แอบแฝงแปรปลอมมาในใจเรานะเล็กๆน้อยๆเราก็เห็นพอเราเห็นมันก็จะหลุดออกไปจากใจใจมันจะเด่นดวงรู้สึกตัวเด่นอยู่งั้นนะ วันหนึ่งก็เกิดภูมิปัญญามากกว่านั้นอีกเห็นว่าตัวจิตใจที่รู้เด่นอยู่แนละ้วยังเป็นตัวทุกข์อีกมันก็จะปล่อยวางเนทางเดินตั้งแต่ต้นสายยันสุดสายอยู่ตรงนี้เองง่ายๆสมพงษ์ทำอะไรใช่ใช่อย่าไปสร้างมันอย่าไปทำมันขึ้นมาเนี่ยล่ะรู้เรื่องไหมเมื่อกี้พยักหน้ารู้ไหม เมื่อกี้เผลอใช่ไหมยักหน้าไปไม่รู้หรอกเั้นยังบอกหลวงพ่อว่ารู้อีกไหนรู้สิการรู้สึกตัวนะอย่าให้ใจมันลืมตัวเองแต่ละคนเนี่ยรักตัวเองที่สุดเรารักตัวเองมากที่สุดนะแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเรารู้เรื่องของคนอื่นมากกว่ารู้เรื่องของตัวเราเองอย่างแต่ละวันเนี่ยใจของเราหนีไปตลอดแตาไม่เคยเห็นเลยหน้าของการมาก แค่หนีไปแล้วแต่หาความทุกข์มาใส่ตัวเองได้เยอะมากเลยหนีวิคิดแล้วทราบไหมเนี่ยต้องอย่างนี้รู้สึกไหมตรงนี้โลง่ลงๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยฝึกไปเรื่อยใจจะสว่างโลง่งเบาสบายมีความตุกมากนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ดวกไป คือตัวจิตเองอะมันประพัดสอนในตัวมันอยู่แล้วประวัติไปว่าอะไรอะภาษาแขกว่าประพัดสอนมอไม่เป็นไรคือรู้สึกไหมว่าบางวันใจมืดมัวอ่านั่นมันกลับข้างกันนั่นแหละมืดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเหมือนแสงสว่างนะคือใจเราเนี่ยใสยกระจ่างไม่มีสิ่ง แ, แงอบแสงแผ่ว ประพัด ส, สอนนะประพัด ส, สอนของแผ้วอย่างน้นก็ได้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังไม่ทราบหรอกยังคิดไม่เลิก <c oughs> เออ <c oughs> เห็นไหมยังคิดอยู่เห็นไหมทันทีที่รู้ถูกปุ๊บมันจะขาดกับั้นเลยจะไม่มาเยื่อให ย, ยขอแถมอีกนิดนึงอะไรเงี้ยไม่มีมันจะขาดทันทีเลยนั้นทันทีที่เกิดความรู้สึกตัวเนี่นะความฟุ้งซ่านของจิตจะดับทันที ที่จะแอบคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านเป็นโมหะชนิดหนึ่งอ้ามีใครจะส่งกันบ้านอีกบ้างอ้าคุณหมีว่างไงคุณหมีหมีแหมมไม่ต้องเกี่ยงกันคนไหนก่อนอ้าดีก็ดีแนละ้วรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นยังฝึกไปนะฝึกแล้วมีความสุขทันทีที่รู้สึกตัวก็มีความสุขแล้ว สันทีที่จิตตั้งมั่นยิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกเมื่อเกิดปัญญานะ่ยยิ่งสุขขึ้นไปอีกเป็นลำดับลำดับไปคุณโตใช่ไหมโตเป็นไงเหลือรู้สึกเรื่อยๆดีแล้วละ่ะนะับแล้วลรยโยมผู้หญิงนั้นละ่ะมากับใคร เ, เคยฝึกไหม แล้วไปฝึกวัดไหนล่ะแล้ววัดอะไรไแล้วฝึกแบบไหนฝึกแบบไหนภาวนาอะไรหรือเออพุทโธก็ได้ตอนนิยมฝึกเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเราไปนี้นะเราพุทโธพุทโธพุทโธสบายๆนะอพุทโธพุทโธพุทโธแล้วค่อยสังเกตใจของเรา เราพุโทโธพุโทโธสักพักหนึ่งนะใจจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเคยเป็นไหมเออมีเยอะไม่เป็นไรนะอย่าพุโทโธไว้พุโทโธแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ว่าใจหนีไปแล้วก็มาพุโทโธใหม่พุโทโธเดี๋ยวมันก็หนีไปอีกนี่อีกรู้อีกไม่ห้ามนะอเอาว่ามันหนีเมื่อไหร่เราคอรู้ไวๆหน่อยก็แล้วกันไม่ดึงนะอย่าดึงกลับมาแค่รู้ว่ามันออกไป แล้วเลิกเลยแล้วพุโทโธใหม่อย่าไปดึงคืนมานะถ้ารู้สึกว่าจิตออกไปแล้วไปดึงคืนมามันจะแน่นมันจะแน่นในหน้าอกเนี้ไม่ดึงตรงลงว่าจะทํายังไงดีพุโทโธแล้วเป็นยังไงพุโทโธแล้วดูยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ที่อาตมาบอกนะบอกโยมว่าพุโทโธแล้วให้โยมคอยดูอะไรรู้ไหมให้ดูใจของเรา เราพุทโธพุทโธไปแล้วจิตของเราหนีไปรู้ทันว่าจิตหนีไปพุทโธแล้วจิตใจของเราสบายรู้ว่าจิตใจสบายพุทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะพุทโธแล้วมันฟุ้งซ่านไม่สบายใจเลยวันนี้พุทโธไปรู้ว่าใจมันไม่สบายไม่ต้องอยากให้มันดีเอานั่นแหละนั่นแหละนั่งดูไปดูสิใจมันหงุดหงิด มันจะงวดหงิดได้สักเท่าไหร่ดูไปเรื่อยไม่ห้ามมันนะอย่าไปเกลียดมันให้เสมอภาคกันเลยดูซื่อๆดูซื่อๆไปนะมันดีก็รู้มันร้ายก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะรู้ซื่อๆไปเรืนะ่อยครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านสอนนะพุทโธเป็นเดือตกปลาใจของเรานะั่นแหละคือพุทโธนะเราหัดพุทโธพุทโธเพื่อจะรู้เท่าทันจิตใจของเรานะไม่ใช่พุทโธเอาอย่างอื่นหรอก พุทโธเอาใจของเราบางโอสอนละเอียดเคยได้ยินชื่อแม่จันบุญจันทรอยู่ถ้าผาพึ่งสอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าพุทโธเราก็คอยรู้ทันใจของเราไว้ถึงทํากรรมฐานอย่างอื่นก็เหมือนกันนะใช้ได้หายใจเข้าหายใจออกเพื่อจะรู้ทันใจจิตเรานี้ไปเที่ยวรู้ว่าหนี จิตเราไปอยู่กับลมเพ่งลมไหมเรารู้ว่าเพ่งลมอะจิตสบายรู้ว่าสบายจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นต่อไปเราก็รู้จิตของเราได้ทั้งวัดยืนเดินนั่งนอนทุกๆุอิริยาบถนะเราจะรู้เท่าทันจิตใจได้ตลอดเลยอ้าวแล้วคุณผู้หญิงถัดมาเนี้ยพี่ว่าไงเคยฝึกไหมฝึกมาแบบไหนทําไมเป็นแข็งนะักอย่าไปบังคับมันนะรู้สึกไหมเราบังคับมันเยอะ กรรมฐานเขาฝึกให้มีความสุขนะฝึกเรามีความสุขไม่ให้ฝึกเราเครียดชีวิตเราก็เครียดเยอะแต่ละคนเราฝึกให้มันสบายฝึกแบบสบายๆรู้ไว้สบายๆ ร, รู้อย่างผ่อนคลายเมื่อกี้หนีไปคิดทราบไหมใจลอยรู้จักใจลอยอยังหนีแว บ, บไปอใจลอยเราก็รู้นะไปรู้ไปอย่างที่เขาเป็นสงสัยมากไหมสงสัยรู้ว่าสงสัย อย่ทรงใจแล้วคิดใหญ่ไม่เอานะกิเลสมันจะรล่อให้เราคิดกิเลส ก, กิเลสรล่อให้เราเลิกรู้สึกตัวคุณแม่เดินอ้อพูดเป็นไตรลักษณ์หลวงพ่อว่าไม่ลงเลไอย่างเงี้ยยิ่ยแม่ถ้าหลวงพ่อบอกไม่ได้ต้องดีตลอดเนี่ยหลวงพ่อประเพียนสิพูดแบบนี้ป้องกันตัวรัดกุมนะแล้วกิเลสเกิดเห็นไหมอ กิเลสอะไรเกิดบ่อยอะไรเยอะกว่ า, า ก, การทุกครั้งที่มีโทสะจะต้องมีโมหะเสมอนะถ้าไม่โหลงตัวอย่างโทสะมาไม่ได้นะต้องเผลอก่อนนะโทสะอย่างนี้เกิดได้แล้วต้องมีราคะก่อนนะโทสะอย่างนีเกิดครับนะ พระโมหะเนี่ยความหลงเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสนะราคะเป็นลูกของมันโทสะเป็นหลานนะคือเรียงเรารักความสุขรักความสบายพอคนอื่นมาทําให้เราสูญเสียความสุขความสบายเนี่ยโทสะเกิดนะถ้าเราเป็นกลางเราไม่ได้รักความสบายอย่างเราเราอยากอยู่คนเดียววันเนี้ยอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะแฟนเราก็ดันเปิดประตูมาชวนเราคุยเรื่อ ย, เอยๆเราอยากอยู่คนเดียวใช่ไหม เราอยากจะสบายอยู่คนเดียวราคาของเราไม่ได้รับการตอบสนองโทรสัพทก็เกิดโมโหว่ามาบ่อยจริงแล้วทำไมเราถึงเพลิดเพลินในความสุขความสบายอยากจะมีความสบายมีความสุขเพราะมีโมหะเราไม่รู้หรอกว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์อยากให้มันสุขไม่ได้หรอกเพราะจริงๆมันทุกข์โดยตัวของมันเองงนั้นโมหะนะเป็นรากเป็นเหง้าของกิเลสอื่นๆ อาอาจารย์ว่าไงอาจารย์แกมแหงแสนเนี่ยเออดีแล้วล่ะมันก็หลงทั้งวันเลเนาะคุณกวีพรเป็นไงวันนี้เขายังช่วยหน่อยนะมีคนตื่นตื่นเยอะบางวันมีแต่คนหลับนะโอ้ยหลวงพ่อจะหลับไปด้วย <c oughs> ตื่นนี่หมายถึงจิตนะจิตมันหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันไม่ว่าตื่น ไม่ใช่ตื่นแต่ตัวคนในโลกนี้ตื่นแต่ตัวแต่ใจเนี่ยฝันทั้งวันตื่นมาเฉพาะตัวแต่ใจฝันอย่างตอนเนี้ยฝันแะ้รู้ไหมดูออกแล้วใช่ไหมดีฝึกได้ดีเรียนได้เร็วอันนี้ตกอีกคนหนึ่งว่างไงอยู่หลังคุณน้องเลยไม่เห็นเลยหามันเที่ยงหรือเหมือนเดิมออกไปเที่ยวมาไปเที่ยวก็ดูได้นะ ถ้าเราไปเที่ยวมาเราเห็นสาวสวยใจเราชอบคนระัรู้ว่าชอบนะไปเที่ยวที่นี่เพลินเลยสนุกมากเลยรู้ว่าสนุกนะเที่ยวก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ห้ามนะอย่าไปเที่ยวที่ไม่ดีก็แล้ว ก, กันไ mm hmm. ปนทัศนจรอะไรก็ไปได้ mm hmm. แต่ไปแล้วก็คอยดูใจของเราไว้ mm hmm. คุณเฉลิมพงศ์เป็นไงคุณเฉลิมพงศ์ จะเห็นเลยเห็นตัวเห็นต้นไปนดีละแล้ววันนี้มันก็ขาดไปอันว่าไงอันหลือแล้วอันรู้รู้ไหมจิตไปคิดรู้ไหมอันแยกได้แล้วอย่างว่ารู้เรื่องที่คิดนะ่ะอันหนึ่งรู้ว่าจิตไปคิดเป็นอีกอันหนึ่งแยกได้แล้วใช่ไหมตัวนี้สําคัญนะคนไหนยังแยกไม่ได้หัดสังเกตส่วนใหญ่เราจะไปรู้เรื่องที่เราคิด เรื่องที่เราคิดเนี่ยเป็นสมมุติปัญญัติคิดอะไรก็ได้คิดได้ทั้งวั น, น, นที่สําคัญที่สุดก็คือให้รู้ว่าจิตมันแอบไปคิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็แอบไปคิดดูออกไหมนี่หัดดูไปอย่างนี้นะต่อไปพอจิตเราแอบไปคิดปุ๊บมันจะเห็นเลยพอเห็นปุ๊บเราจะตื่นผางขึ้นมาเลยจะหลุดออกจากโลกของความคิดเลยลคุณคุณนั้นทําอะไรรู <c oughs> ้สึกไปอย่างเนี้ยดีละ คุณนี่แหละเป็นไงบ้างของคุณนะที่มีแป้นตาเอ๋เนี่ยไม่ <c oughs> มาหาไม่เป็นไรดูเอาไว้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพอ่อธรรมะอยู่ที่ตัวเรานะอย่าเที่ยวขอธรรมะคนอื่นนะเราผู้ปฏิบัติธรรมะคนก้าอยู่ในตัวเองธรรมะไปขอคนอื่นไม่ได้อย่างบานคนชอบไปขอสีที่พระ เดี๋ยวศีลของพระหมดศีลมาข อ, อกันนะเพราะฉะนันศีลไม่ต้องไปขอใครนะตั้งใจรับตาเองความตั้งใจที่จะไม่ทําผิดนั่นแหละคือศีลเราไม่ต้องขอใครเดี๋ยวนี้เห็นเลขข่าวเขามีเขียนการ์ดใช่ไหมตั้งตั้งอะไรตั้งตั้งสัจจะนอตั้งแล้วทํามั่งเปล่ามนนู้นะถ้าทํามันคงบ้านเมืองคงดีวันนี้เแล้ว <c oughs> เริ่มตั้งไม่เป็นไรอะ่ะทำความดีทำเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นแหละ่นเรินมากมันจะตั้งอย่างเดียวเดี๋ยวปีหน้าซื้อมาอีกใบ <c oughs> อะว่าไงอั น, น เ, เนี้ยเล็แปดเนี้ยเออดีแล้วล่ะค่อยค่อยตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันแค่ๆเราตื่นมากขึ้นมากขึ้น คนในโลกนะฝันอยู่ทั้งวันนะน่าสงสารที่สุดเลยหลับๆฝันๆทั้งวันอนะ่ะไม่มีคนตื่นอ่ะฝันอีกแล้วรู้ไหมอ้าวคุณนี่แหละเวลาคนก็ด่าโมโหเคยเป็นไหมรู้จักโกรธไหมต่อไปเวลาโกรธนะให้รู้ทันว่าใจเราโกรธอะไรเกิดขึ้นเคยรู้ทันที่ใจของเราบางคนขี้โมโหมันโกรธบ่อยโกรธบ่อยแล้วได้รู้บ่อยๆ เวลาเราโกรธขึ้นมาเราอย่าไปดูคนที่ทําให้โกรธนะให้ดูที่ใจของเราที่ใจมันโกรธดูซิมันจะโกรธนานแค่ไหนไม่ใช่ดูเพื่อให้หายโกรธด้วยเพราะเวลาเราโกรธขึ้นมาอย่าไปดูคนที่ทําให้โกรธให้ดูใจของเราดูที่ใจของเราเพื่อจะดูว่าไอ้ความโกรธมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะไม่ใช่ดูเพื่อให้มันหายโกรธนะคนละเรื่องกันเลยไปดูเพื่อให้หายโกรธนะเป็นสมถะ อาใครยังไม่ได้ส่งกันบ้านแล้วอยากส่งกันบ้านเชิญอ่ะนี่ว่าไงเหลืออีกคนหนึ่งเหรออยู่ใกล้ลืมเลยดูแล้วก็มอืมใจมันยังไม่หลุดออกจากความคิดค่อยๆดูไปนะคิดมากยากนานอย่างคุณน้องเนี่ยแรงเยอะลิ้นมาหนานายกว่าจะหมดแรงท้อแท้ หมดแรงได้ก็ดีไม่ไม่หมดแรงดิ้นนะก็ดิ้นไม่เลิกใครรู้สึกไปนะความรู้สึกตัวแท้ๆยังไม่เกิดใครดูใครสังเกตอ่านใจของเราเรื่อยๆความรู้สึกแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันความรู้สึกแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันต่อไปเราจะเห็นว่าความรู้สึกแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันพอตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยน ปูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจเราไปคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราแกล้งทานะเราย่งแกล้งทาเฉยๆไว้รู้สึกไหมว่าอย่างแกล้งทําเฉยๆไว้ดูออกไหมนั่นแหละคือตัวปัญหาที่ทําให้เราไม่ตื่นนะะใจของเรายังไม่เดินในทางสายกลางเรายังฝุดโตะไปข้างบังคับตัวเองถ้าเราบังคับเนี่ยกายก็นิ่งใจก็นิ่งก็ไม่มีไจรักให้ดูสินะเพราะฉนั้นอย่าไปบังคับให้เขานิ่งนะ ใจเด็ดๆปล่อยเลยถือศีลห้าไว้ก่อนต้องรัดกลุ่มนะเนี่ยสอนโยมนะเป็นยังจับปูเซ ก, ก, กัสโตะบอกปล่อยเลยนะคราวนี้ทําชั่วอะไรเต็มที่บอกหลงพ่อปลาโมสดสอนงั้นถือศีลห้าไว้ก่อนนะเออมีศีลห้ายังไงไม่ทํากิดศีลห้ากิต่อไปนี้จิตใจมันเป็นยังไงคอยรู้ไปเนะช่นเราเดินเดินอยู่เราเห็นในคนเนี้ยนะเขามีแฟนแล้วด้วยเราก็าชอบชอบเรารู้ว่าใจเราชอบแต่เราไม่ยุ่งกับเขานะเพราะเรามีศีล ให้เรารู้ทันใจของเราเราจะเห็นว่าใจของเรานี่เปลี่ยนแปลงทั้งวันดูเพื่อให้รู้เท่าทันใจให้เห็นว่ามันเปลี่ยนใจรักไม่ใช่ดูเอาอย่างอื่นนะจะ ต, ต้องมีศีลไว้ก่อนอย่าละเลยแต่ละวันอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นะไหว้สหน่อยไ ห, ไหนๆก็เป็นชาวพุทธทั้งจีไหว้ครูสักวันละครั้งก็ยังดีไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทําตามรูปแบบทําไปบ้างอย่าขี้เกียจ ถ้าไม่มีรูปแบบเลยเดี๋ยวก็จะท้อทแท้ใจรู้สึกเหมือนไม่ได้ปฏิบัติ <Yes. S 1> แล้วเวลาที่เหลือในชีวิตเราถ้าไม่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดนะตามรู้จิตไปเลย <Yes. S 1> ทำไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทำไป <Yes. S 1> ไม่รู้ <Yes. S 1> คือมีแต่สติอย่างเดียวจะเป็นสมถะ ประกอบด้วยปัญญาแยกคายจริงๆถึงจะเห็นปรมาสใช่ใช่เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงความเป็นกลางของจิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถูกต้องแนละ้วสติก็เหมือนกันนะสติก็ไม่เที่ยงสติก็เป็นอนัตตาบังคับให้เกิดไม่ได้บางท่านพยายามจะให้สติเกิดตลอดเวลา พยายามต่างให้สติเกิดเช่นเวลาเดินจงกรมกระแทกเท้าแรงๆกะว่าจะไม่ให้ขาดสติเข้าใจผิดแล้วสติไม่ได้เกิดเพราะกระแทกเท้าสติเกิดเพราะจิตมันจําสภาวะได้เพรามีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุสติไม่เกิดอย่างเราไปเดินกระแทกแรงๆนะเรากระแทกด้วยโลภะนะเราอยากให้มีสติในขณะนั้นนะจิตมีโลภะอยู่สติไม่เกิดออกหลดเรื่องเลย งั้นอยากให้มีสตินะครยครรู้สภาวะไปด้วยเช่นใจเราหนีไปคิดรู้ทันะใจเราสงสัยขึ้นมารู้ทันหันรู้สภาวะไปด้วยเดยสติก็เกิดเองแหละต่อไปพอมันสงสัยปุ๊บมันรู้สึกขึ้นมาเองเลยระลึกได้เลยว่าสงสัยแล้วความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บหรือความขัดใจเกิดขึ้นปุ๊บนะสติระลึกได้เลยว่าโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่ภาคหรอกนะแต่ว่าแรกๆมันอดภาคไม่ได้มันอดบรรยายไม่ได้ อย่าไปกดไว้นะอย่าไปกดนะยังออกแรงกดอยู่ดูออกไหมอย่าไปกดมันเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเพื่อจะเก็บกดนะรู้สึกไหมไปกดไว้เพราะงั้นอะไรมันกระทบนะอัดอัดไปเรื่อยอัดไปเรื่อยนานๆไปแน่นๆนะไม่สบายทีเลศเราไปซ่อนไว้ข้างในแล้ววันใดที่หมดแรงกดนั้นจะระเบิดขึ้นมาน่ากลัวมาก ือมันไม่รู้หรอกคือจิตเรานะรู้นิดนึงแล้วถึงเวลาก็มาไปฝึกอบสวยนะอยากปเจ้าของแล้วก็ปล่อยไปเลคือจริงๆแล้วมันทีลักษณะไม่แก้่เห็นไหมเริ่มคิดเรื่องแก้แล้วเราไม่แก้อะไรหรอกเรารู้ไปอย่างที่เขาเป็นตาเห็นผู้หญิงสวยราคาเกิดขึ้นมามีสติรู้ว่ามีราคาใช้ได้ละเแี่ยถัดไปมันก็เริ่มผิดครั้งใหม่ เช่นมันลืมขาดสติแล้วมัวไปดูผู้หญิงใหม่ราคาเกิดอีกคราวนี้ไม่ดูราคาดูแต่ผู้หญิงคนละอ่านกันเพราะฉะนั้นตที่เห็นราคาเกิดขึ้นมาสติรู้ทันตรงนี้ใช้ได้แล้วถ้าจากนั้นอกุศลตัวใหม่เกิดขึ้นนะคือคือเกิดไปชอบเขาอีกแล้วแล้วก็มัวแต่สนใจเขาไม่ดูตัวเองนะคนละอ่านกันเกิดดับเกิดดับเป็นขณะไป